บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของอวิชชาที่เราแปลว่าความไม่รู้นั้นเมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วก็มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไประดับแรกเป็นความไม่รู้จริงๆ ซึ่งท่านอุปมาเหมือนจิตของสัตว์ใิรารบางชนิดที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วมักจะประสบภัยอันต ร, รายบางครั้งจนถึงกับมีลักษณะที่ท่านพูดว่าแมาลงเม้าเป็นข้าวกล่องไฟคือแม้จะรว่ไฟร้อนก็ยังบินลงไปแล้วก็ตายกันไปเป็นธรรมชาติ แต่ความรู้อีกระดับความไม่รู้อีกระดับหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าเป็นความรู้ที่ไม่จริงหมายความว่าเป็นความรู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ในระดับที่ไม่จริงซึ่งถ้าเรียงความรู้ในระดับนี้ไว้เป็นสามชั้นด้วยกันชั้นแรกคือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสโดยการได้เห็นได้ยินได้สุดลมได้ลิ้นได้จับต้องสิ่งตอนนั้นมา ในด้านใดด้านหนึ่งในระดับใดด้านหนึ่งซึ่งหมายความว่าท่านก็ อ, อาจจะรู้บางระดับแต่บางระดับก็ไม่รู้ในด้านที่ท่านรู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงด้านที่ไม่รู้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาในจุดนั้นก็คล้ายๆกับเรื่องราวในชีวิตของคนเราแต่ละคนคุณสังเกตว่าในจุดใดที่เรามีความรอบรู้จริงในจุดนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่จุดใดที่เกิดความรู้ไม่จริงหรือรู้ไม่ตลอดสายขึ้นมามันก็มีปัญหาขึ้นมาในบางระดับอีกจำนหนึ่งความรู้ระดับการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสนั้นบางเรื่องก็ไม่เข้าถึงจิตใจที่สร้างจิตสับนึกในการยอมรับบาป บ, บุญคุณโทษของสิ่งนั้นๆการปรฏิพฤติปฏิบัติตนของบุคคลก็ยังเป็นไปตามอานาจของอารมณ์อานาจของกิเลส จนเกิดขึ้นจากการชักชวนเชิญชวนจากปัจจัยภายนอกบ้างจะเกิดขึ้นจากการกระตุ้นเตือนภายในใจตนเองบ้างหรือเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งสองประการบ้างความรู้อีกระดับหนึ่งท่านเรียกว่าตรีระณะปริญญาได้แก่นำสัมผัสตรงของตนซึ่งเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองมาเพ่งพินิษฐ์พิจารณาจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น มันสามารถจะแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นทางเสื่อมทางเจริญบางครั้ง บ, บังคาสามารถจะอธิบายชี้แจงให้คนอื่นเกิดความรู้ความเข้าใจได้แต่ก็จริงแล้วก็เป็นระดับของความคิดบุคคลผู้นั้นไม่สามารถนำธรรมะเ่านั้นมาประพฤติปฏิบัติได้ เพราะฉ่านถ้าเป็นปัญหาระดับความคิดท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ความคิดอย่างเดียวมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะน้ท่านจึงแบ่งความรู้ระดับหนึ่งเอาไว้ซึ่งถือว่าเป็นความรู้จริงได้แก่ความรู้ระดับปาหาณาปริญาหมายความว่ารู้อะไรเป็นทางเสื่อมก็ละได้เว้นได้รู้อะไรเป็นทางเจริญก็ลงมือประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งก็ข้าหลักที่ทรงแสดงไว้เป็นสูตร เลาช่วประพฤติดีทำจิตให้ผ่องแผ้วนน่นเด็ก็คือกฎเกณฑ์ของใจสิกขาได้แก่ศีนสมาธิปัญญาเพราะความรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็โดยอาศัยหลักการประพฤติปฏิบัติตามองค์ของสีลสมาธิปัญญาหรืออริยบุญแปดประการความไม่รู้ที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นได้พูดถึงความไม่รู้โดยรวมได้แก่ความไม่รู้ในอริยศสตร์ทั้งสประการ ความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในเหตุเกิดของทุกความไม่รู้ในความดับทุกและความไม่รู้ในข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกซึ่งจะเห็นได้ว่าในแง่ของความไม่จริงแล้วมีปัญหาระดับความรู้ที่เรียกว่าปหญญะปริญญาคือความรู้ระดับที่ละชั่วประพฤติได้เพราะโดยทั่วไปแล้วสำหรับคนที่ศึกษาสนใจธรรมะทางมุทธศาสนา ก็มีความรู้ในเรื่องของทุกมีการสวดมีการสาทายมีการสะดับสรฟังมีการคิดปินิพิจนา ม, มีการตอกย้ำในเรื่องเหล่านี้อยู่ว่สวดบนวัชชาตความเกิดเป็นทุกข์ชาความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์เราถึงความสุขความประปรายรำพันต่างๆเป็นทุกข์แลสามารถสรุปรวมได้ว่า เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตเราประยึดพัน์ถือมั่นในขันธ์ทั้งหานั่นเองเป็นความทุกข์แต่ว่าจริงแล้วเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทุกขเวทนามีความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ยึดมั่นอยู่ในความไม่สบายกายไม่สบายใจมีปัญหาเมื่อเกิดขึ้นเมื่อเกิดความไม่สบายขึ้นมีความเพลิดเพลินชิ่นชมยินดี หลงไห ย, ยึดติดอยู่ในความสบายที่ตนสัมผัสในแต่ละขณะเระความสุขความสบายเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> ก็เกิดความความทุกข์ทรมานัดก็แสดงว่าจิตใจ ย, ยังมีความขึ้นลงยังอ่อนไวหวไปร่วมนาดของความทุกข์ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งเหนึ่งนั้นเรารู้ถึงโคตของกิเลสทั้งหลายแต่เป็นความรู้รับของการศึกษาเรียนรู้รับของการคิดปีนิดพิจารณา มีเป็นอันมากที่เรารู้ทั้งสองระดับดังกลา่าวแต่เอาก็จริงก็บันเทาความโลภไม่ได้ไล่ต้องกล่าวถึงการละความโลภเพราะโดยหลักการปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงเน้นให้มีลักษณะขัดเกลาไปโดยลำดับตามกำลับบงความสามารถที่เราจะกระทาได้ที่ทรงใช้กรรมยถาสติยถาผลัง เพื่อให้ทำไปตามศัก์ตามสถานะที่เราจะกระทำได้และการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาจึงมีรูปของการขัดเกลวไปเรื่อยๆคล้ายๆการ ข, ขัดเกลวสนิมที่เกิดขึ้นแก่เหล็กแก่ภาชนะแก่เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็พยายามขัดไปเรื่อยๆจนกว่าภาชนะนั้ น, นจะสะอาด จิตใจของบุคคลเรานั้นตามปกติแล้วก็มีความบริสุทธิ์พอสมควรที่เรียกว่าเป็นประพัดสอนคือเรืองแสงแต่จิตใจเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของอุปกิเร ท, ที่จอดมาเกิดขึ้นภายในจิตในแต่ละขณะดผลวิธีการศาสนาจึงสอนทั้งในรูปของการป้องกันและทั้งในรูปของการบำบัิกิเลส ท, ที่ยังไม่เกิดเขาพยายามป้องกันเอาไว้ แม้จะเกิดขึ้นก็พยายามลดความรุนแรงของกิเลสต่านั้นโดยกรรมวิธีทั้งหลายเช่นการข่มใจการห้ามใจการลดกั้นการอดทนการให้อภยัยหรือการเพิ่มพูนปริมาณธรรมะให้สูงขึ้นภายในใจิตใจเพื่อมีกําลังพอในการสลายกิเลสที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะให้อย่างน้อยก็ลดความรุนแรงลงไปทั้งหมดเหล่านั้นเป็นอุบายวิจี ที่จะเพิ่มพูนตัวกความรู้ในระดับที่สามารถคุ้มครองป้องกัน ร, รักษาตัวเองได้และบางเรื่องโทษของความโลภความโกรธเราก็คิดเราก็เห็นเราก็สามารถอธิบายได้แล้วก็จริงพอเกิดอารมณ์กระตุ้นให้โกรธจะเรียกว่าอารมณ์ยัวยุให้เกิดความโกรธถ้าหากข้ามความโกรธไว้ไม่ได้ ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะภายในใจเรายังมีอวิชชาคือความรู้ไม่จริงจึงไม่สามารถจะเอาตัวให้หลุดรอดจากอำนาจของความโกรธที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นได้บงับบงเกิมาคราวไมมระดับบันเทากั น, ากนไม่ได้ในเวทดวงตัวนี้จึงชื่อว่ายังอยู่ในอวิชชาดังนั้นเวลาพูดโดยรวมของเรื่องสังสารวัฏ ท่านสายชนท่านหลายจะสังเกตได้ว่าแม้คนระดับพระอนาคามีเองก็ยังต้องหมุนวนในสังสารวัฏอย่าน้อยถ้าก็ต้องเกิดอีกแต่ทั้งที่จิตใจท่านบริสุทธิ์มากและเกิดแล้วไม่มีอาการของกิเลสปรากฏให้เห็นแล้วแต่ไปในใจของท่านยังมีอวิชชาคือความรู้ยังไม่ตลอดสายเป็นความรู้จริงแต่ยังรู้ไม่ตลอดสาย ในความส่วนใดที่ท่านรู้ถ้าก็ขจัด ก, กิเลสได้อย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วไม่กําเริบอีกต่อไปแต่มีบางจุดบางระดับท่านยังรู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นอวิชชาจึงยังไม่หมดไปจากจิตใจของท่านเพราะวิชามีอยู่สังขารคือการกระทําที่เป็นบุญเป็นบาปก็ต้องมีอยู่เมื่อสังขารคือการกระทําที่บุญเป็นบุญเป็นบา ป, บ ป, บปบมีอยู่สัตว์โลกนั้นเป็นไปตามกรรม ก็ทําให้ท่านเหล่านั้นอย่างน้อยก็ต้องเกิดด้วยกระแสของกรรมเราเข้าไปสู่กระบวนการของปฏิจจสมุปบาทคือมีเหตุปัจจัยครบสามประการมีวิชามีกรรมก็พร้อมที่จะสร้างปฏิสนธิวิญญาณขึ้นแมน้จะเกิดในกําเนิดที่เป็นโอปปาติกะก็ตามก็ถือว่ายังเป็นความเกิดด้วยนั่นเอง ปัจจัยใหญ่ตรงนี้ก็อยู่ที่ท่านอย่างละอวิชาไม่ได้และคนที่ละอวิชาได้ดับอวิชาได้คนชื่อว่ารู้จริงอย่างแท้จริงก็มีเฉพาะประาราหันเท่านั้นคนธรรมปฏิบัติที่เป็นหลักจึงมุ่งในการขัดเกลาหมายความว่าในการเรียนรู้ทางปาะสาสัมผัสก็ต้องเรียนรู้ไปแต่จะต้องนำมาคิดเพิ่มพูนความคิดไปเรื่อย เพราะตัวความคิดและการพิจารณานั้นเป็นปัญญาเป็นตัวปัญญาความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจนั้นจะเกิดขึ้นจากปัญญาเพราะวิชาเป็นความมืดปัญญาเป็นแสงสว่างอที่พระพุทธเจ้ า, าทรงสแสดงว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเป็นรัตนะของนริชนคนจะบริสุทธิ์หมดจดได้ก็ด้วยปัญญา ก็แสดงว่าถ้าปริมาณของปัญญาเพิ่มขึ้นได้ทั้ง3มระดับคือระดับของการศึกษาเรียนรู้ที่เรียกว่าเป็นประุสุดมีการศึกษามีการสดับตับฟังมีการเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับและนําเรื่องหลดนั้นมาคิดพิิพิจารณาในแต่ละขณะการคิดการพินิษพิจารณานั้นเป็นอาการของปัญญาดังกลาง่าวซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ในแนวของปิญหาปฏิเวกขณะ ที่ทรงสอนในพิจารณาบ่อยๆพิจารณาหนึ่งเดือนพิจารณาอยู่สม่ำเสมอเรื่องความแก่ความเจ็บความตายและการพลาดพลาดซึ่งเป็นกติธรรมดาของสรรพชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วจะต้องเจอกับสภาพอย่างนี้แต่เนื่องจากจิตใจเรามีอัตตามีตัวตนรู้สึกเป็นอาหางการคือเป็นตนรู้สึกเป็นมมังการคือเป็นของตน จิตใจไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหยเหล่านั้นด้วยอำนาจของอภิชาตะการใช้ปัญญาพิณิพิจนาก็คือการเพิ่มแสงสว่างขึ้นไปเรื่อยๆทานองคล้ายๆในห้องมืดเราจุดเทียนเล็กๆขึ้นทีละดวงทีละดวงดวงสองดวงมันไม่สว่างแล้วมันขจัดความมืดไม่ได้เทียนน้อยมันก็ลดความมืดลงไปได้ ปัรญ ก, การจะกระจัดความมืดได้หมดทั้งในห้องนั้นก็คือจุดเทียนไปเรื่อยๆเพิ่มปริมาณแสงสว่างขึ้นไปโดยดั่ดับจนถึงจุดหนึ่งเมื่อแสงสว่างเพิ่มพูนขึ้นเต็มชี่ความมืดในที่นั้นเขาไม่ปรากฏคงเหลืออยู่เฉพาะแสงสว่างภาะในจิตใ จ, ใจของเราก็มีลักษณะอย่างนี้น ความโลภความโกรธสืบเรื่องระจากความหลงความหลงก็คือตัวอวิชชาเพราั้นธรรมปฏิบัติทั้งหลายก็มุ่งที่จะขัดเกลาวพวกนี้ทั้งในชั้นของการศึกษาเรียนรู้ทั้งในชั้นของการนำมาไตรจรองพินิพิจารณาจดมองเห็นสิ่งที่เป็นโทษประจักษ์แจ้งแก่ใจมองเห็นสิ่งที่เป็นคุณประจักษ์แจ้งแก่ใจ แต่น้อมนาสิ่งที่เป็นคุณมาประพฤติปฏิบัติซึ่งในแนวของภาวานานั้นเึืสังเกตว่าจะพูดเฉพาะนแนวปฏิบัติความดีคือเพิ่มพูนความดีขึ้นปริมาณของความดีที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นมันอยู่ตรงกันข้ามกับความชัว่วพอปริมาณความดีเพิ่มขึ้นปริมาณความชั่วก็ลดลงโดยธรรมชาติธรรมดา ในภาวนาท่านยังไม่พูดเรื่องละชั่วประพฤติแต่พูดเฉพาะประพฤติซึ่งก็มีผลเช่นเดียวกับการละชั่วประพฤติมีผลเช่นเดียวกับการป้องกันความชั่วการละความชั่วการเพิ่มพูนความดีการรักษาความดีการแตกต่างก็แตกต่างเฉพาะวิธีการในการประพฤติธปฏิบัติ แนวของการป้องกันความชั่วการละความชั่วการเพิ่ปูนความดีการรักษาความดีนั้นเป็นแนวที่ใช้สติสัมปชัญญะความเพียรที่ต่อเนื่องมุลล่งเกรู้ทั้งสี่เรื่องด้วยกันจะหาประโยชน์จากสี่เรื่องสิ่งบางอย่างนั้นป้องกันใช้ได้ก็เป็นประโยชน์ก็ป้องกันสิ่งบางอย่างละเส้ได้จะเกิดประโยชน์ก็ละ สิ่งบางอย่างถ้าจเจริญเพิ่มพูนขึ้นก็จะเกิดประโยชน์ก็พยายามเพิ่มพูนขึ้นสิ่งบางอย่างถ้ารักษาเอาไว้ให้มั่นคงหนักแน่นก็จะเกิดประโยชน์ก็พยายามรักษ า, าไว้เพราะการจําแนกประโยชน์การรู้อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์จึงเป็นอาการของปัญญาที่เพ่งพินิพพิจารณานดู และคนที่ใช้ปัญญาในการเพ่งพีนวิจารณาสิ่งทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตประจําวันของตนบุคคลเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นสัตบุรุษเพรา ะ, ะนั้นคำว่าสัตบุรุษคําว่าบัณฑิตคําว่านักปราชญ์เป็นการเรียกขานคนซึ่งมีความสามารถจําแนกแยกแยะแล้วก็ยึดถือเอาประโยชน์ทั้งสองประการได้คือประโยชน์ ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์เพื่อตนและประโยชน์เพื่อบุคคลอื่นพระการลดละ ล, ะละาบโลภโทสะ โ, โมหราคะทั้งหลายประการแรกก็จะเป็นประโยชน์เกิตัเองใจจะลดความเราร้อนนด้วยเพลิงของกิเลสเมื่อเพลิงกิเลสสงบเพลิงทุกข์ก็สงบทั้งกิเลสทั้งทุกข์เราก็ไม่ชอบ เพรกิเลสเป็นเตุใ้เกิดทุกๆนั้นมีการแผดเผาก่อให้เกิดความเล้ารอนเัราทั้งกิเลสและทั้งทุกเป็นสิ่งที่คใครๆไม่ปรารถนาะแต่ว่าการมีความรู้สึกเพียงอย่างเดียวมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้มันจะต้องไป น, นิยปัญนามองเห็นโทษและมองเห็นคุณของการไม่มีมองเห็นโทษของการนี้ แล้วก็เพียรพยายามลดละในส่วนที่มีพยายามป้องกันในส่วนที่ยังไม่มีแในขณะเดียวกันปัญญาก็เพ่งพีนิดปิจนามองเห็นคุณของคุณธรรมทั้งหลายที่ให้ความสงบความยึกเย็นความหนักแน่นเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเจะพยายามศึกษาเรียนรู้หาความรู้ความก็จะใจางประสาทสัมผัสต่างๆ น, นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดพีนิดปิจนา แล้วพยายามน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาปฏิบัติธรรมะใดที่ปฏิบัติได้แล้วมีแล้วอยู่ภายในใจตัวเดีคล้ายๆความรู้คล้ายๆเงินทองคล้ายๆฝีมือก็ต้องพยายามรักษาเอาไว้การรักษานั้นจะต้องมีการบริหารวิชาความรู้จะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมจะต้องทบทวนจะต้องสาทยายความสามารถก็จะต้องทํางานอย่างต่อเนื่องกันไป ฝีมือก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะอะไรก็ตามถ้ามไม่หมั่นขยันกระทาบ่อยๆกระทาต่อเนื่องกระทำอยู่สม่าเสมอแล้วในสุดมันก็เสือ่อมธรรมะปฏิบัติเองก็มีลักษณะอย่างนั้นสาปใดที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่สำนั้นความเปลี่ยนแปลงมันมีได้ตลอดโดยเฉพาะยิ่งคือความเปลี่ยนแปลงด้นจิตใจ พึงสังเกตว่าคนระดับพระอาหารหันต์นั้นเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนร่างกายของท่านแต่แม้แต่พระยาบุคคลทั้งหลายท่านก็มีความเปลี่ยนแปลงเฉพาะสิ่งที่เป็นสังขารแต่ว่าส่วนที่ท่านละกิเลสได้ซึ่งหมายความตรงนั้นเองก็เป็นวิสังขารเพียงแต่ว่าจะสมบูรณ์เต็มที่หรือไม่เท่านั้นคนที่เป็นวิสังขารสมบูรณ์ก็คือพระอาหารหันต์ จิตใจก็ท่านจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงหมายความกิเลสอันใ ด, ดที่ละได้แล้วก็คือละได้แล้วตลอดไปการละกิเลสจึงมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งเรียกว่ากุปตธรรมคือการเริกได้เปลี่ยนแปลงได้กาละกิเลสในแนวนี้เป็นการละของปุถุชนทั้งหลายปุถุชนเราบางครั้งเราจึงเห็นว่าอาการคล้ายๆกับสามวันดี4วันร้าย การบางครั้งก็ปั๊มปเปื อ, ปอเ ป, อเ ป, อเปอบางครั้งก็ลมเพลงลมพัดบางครั้งก็มีอาการที่เ ร, เรียกว่าเลือดจะมาลมจะไปตรงนั้นไม่ความเอาแน่นอนอะไรไม่ได้สแสดงว่ายังอยู่แนวนาจของกิเลสยังอยู่แนานาจของอารมณ์ ในช่วงใดขณะใดสติสมัมปชัญญะธรรมะเราอื่นมีกำลังมากพอก็อควบคุมจิตใจควบคุมความคิดควบคุมการพูดการกระทำของเขาอยู่ในคันลองแห่งธรรมได้แต่บางครั้งมาเกิดความอ่อนแอขึ้นภายในใจรือมีเงื่อนไขต่างๆเข้ามาประกอบอะไรก็าตามจิตใจเกิดอ่อนไหวเกิดรู้วอำ น, นาจแก่อารมณ์ ซึ่งแนวตรงนี้เป็นสังเกตว่าแม้จ ะ, จะเจริญมาถึงระดับสมาธิจุดบรรลุฌานแล้วก็เอานิยายไม่ค่อยได้เอาแน่นอนไม่ค่ยได้ฌานั้นตาปกติแล้วจิตใจจะหนักแน่นแต่ว่าจะหนักแน่นอยู่ก็ต่อเมื่อตัวเองนั่งจเจริญสมาธิอยู่เท่านั้นเองหมายความว่าใจในขณะนั้นอยู่ในฌานก็จะมีความมั่นคงหนักแน่นแต่เราก็นั่งอย่อยางนั้นตลอดไปไม่ได้ ก็จำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนไหวการออกจากชาิพอชา์แล้วเนี่ยมันก็คือใจคนคนหนึ่งซึ่งอาจจะสงบกว่าคนอื่นอยู่บ้างแต่เวลากระทบอารมณ์แล้วความหนักแม่นความมั่นคงไม่มา ก, ก่าบางครั้งอาจจะอ่อนไหวง่ายกว่าคนที่เป็นปกติธรรมดาคนทั่ ว, วไป ทันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตระดับฌานนั้นเป็นจิตที่หนักแน่นจริงแต่ไม่มั่นคงมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับผ้าขาวซึ่งซักไว้สะอาดแล้วไปเจออะไรเขาหน่อยเดียวมันก็เปื่อยหลับเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านที่บรรลุฌานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นถือท่านไม่หนักแน่นมั่นคงจริงๆเวลากระทบอะไรอะไรนิดอะไรหน่อย มันอ่อนไหวได้ง่ายปรบางได้ง่ายแล้วก็แปดเพื่อได้ง่ายตำนองภาคขาวดังกล่าวมันตั้เหล่านี้จึงไม่แน่นอนเหมือนกันมีคนเป็นอันมากอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระโคจิกะเทระพระท่านเจริญสมถกรรมฐานจนบรรลุฌานขึ้นไปถึงเจตุเจฌาน พอเริ่มจะยกจิตขึ้นสู่วิ ป, ปัสสนาฌานเสือ่อมบูบเดียวกลายเป็นสามัญชนก็พยายามแล้วพยายามอีกลองแล้วลองอีกเป็นภาาทานองคนที่วหว้ทวนกระแสน้ำขึ้นไปได้หลายเส้นจังจับอะไรไม่มั่นคงเกิดหมดแรงขึ้นมาดือด้อน้ำก็แท้กลับมาที่เดิมหรือบางทีก็เลยที่เดิมไป แล้วก็วลขวายเพียรพยายามไหวต่อไปขึ้นไปได้ถึงจุดนั้นถูกกระแทกกลับไปอีกหรือตำหนองคนปีนที่สูงปีนขึ้นเกือบถึงยอดแล้วก็หล่นรูดลงมาอย่างไม่เข็ดยังมุ่งมั่นที่จะเอาชนะให้ได้ก็ปีนขึ้นต่อไปแล้วก็หลนรูดลงมาอีกภาพตรงนี้คือภาพการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมะ แสดงว่าการที่จิตก้าวเดินไปได้ในช่วงนะั้นในขณะนั้นธรรมะมีกำลังเข้มแข็งคุ้มครอ ง, องกตรสาจิตไว้ได้แต่บางช่วงที่ถอยหรือไหลรู ด, ร ด, ร ด, รดลืด่น ล, ลงมานี่ก็แสดงว่าในช่วงนะ น, นั้นขณะนั้นจิตใจเราอ่อนไหวจิตใจไม่มีความมั่นคงการหลุดพ้นในระดับนี้จึงถือว่าเป็นกุปรธมคือกาเริบได้เปลี่ยนแปลงได้ แล้วนิยายไม่ได้ความดุพจนที่ไม่กำเลิกจึงนับจากพระโสดาบันขึ้นไปท่านเรียกว่าเป็นคู่ที่ปิดประตูจตุระบายได้คือปิดประตูนรกได้เป็นหลักประการว่าท่านเหล่านี้ในทั้งสารวัตรที่ท่านยังหมุนวนอยู่แม้จะยังหมุนวนแต่ก็ไม่ตกนรก ไอถามว่าทำไมไม่ตกนรกเพราะกิเลสที่แรงเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมจนถึงต้องตกนรกนั้นมันไม่มีเพราะอะไรเพราะละความเป็นตัวเป็นตนรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนลงไปได้เมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่มีเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวเป็นตนของเรามันก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะปรงปลนปลื้ตนเอง เพราะการกระทําทั้งหมดในชีวิตของเราพืงสังเกตว่ามันมุ่งปรนปลื้มตนเองทะนุถนอมตัวเองอกเอาใจตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าอัตตาของตัวนี้มีความสําคัญคือตัวตนจะมีความสําคัญเพราะโลกเพื่ออะไรก็เพื่อตนเพื่อตอบสนองความอยากได้ของตนโกรธเพราะอะไรเพราะโกรธเข้าประทุสล้ายต่อตนก็ดูหมิ่นตน เขาไม่ให้ความเคารพตนเขาไม่นับถือตนเขารังแกตนมันมีตนให้รังแกมีตนให้เขาไม่นับถือมีตนให้เขาโกรธมีตนให้เขาแข็งดีมีตนให้เขาลิสเสียตนมันก็ใหญ่ทรมกระทบะอะไรนี่กระเทาอะไรหน่อทั้งก็โกรธราคาเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนถีนเมื่อตนมันเล็กลงไม่ให้ความต้องการแก่ตนมากเกินไป ราคาเองเก็ลดตามไป ม, คมัความหลงความร้าเหตุผลก็เป็นเช่นเดียวกันมันถูกลดลงไปอย่างน้อยจะไม่เครือบแคงสงสัยเพราะนคุณสมบัติที่ประสดาบันท่านมีก็คือไม่เครือบแคงสงสัยโดยเฉพาะยิงย่งคือไม่เครือบแคลงสงสัยในคุณของพระรัตตรัยแต่สิ่งที่ท่านไม่สงสัยก็คือสิ่งที่ คนมีอวิชานั่นเองดังนั้นท่านสระชาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าอาวิชชาเกิดในที่ใดความสงสัยก็เกิดในที่นั้นการที่ปะโซดาบานันท่านขาจัดความสงสัยไปได้ระดับหนึ่งก็หมายความว่าท่านขาจัดอวิชชาไปได้ระดับหนึ่งความสงสัยโดยรวมก็คือสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขา สงสัยเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจจัยาการอวิชชานั้นคือความไม่รู้ในทุกขในเหตุเกิดของทุกความดับทุกและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกในอนดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจจัยาการซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อคนได้จากความสงสัยได้ก็แสดงอวิชามันก็จากไปกลายเป็นแสงสว่างเป็นเครื่องส่องทางในชีวิต ทำให้ท่านดำเนินชีวิตไปในคันลองแห่งธรรมะไม่ยึดมั่นถือมั่นในแนวที่งมงายได้เหตุผลต่างๆตอการศึกษากา ร, ราปฏิบัติเอาก็จริงแล้วก็คือบุ้มขจัดอวิชชาเป็นประการสำคัญเพราะถ้าเราลดอวิชชาลงไปได้กิเลสมีชื่ออย่างอื่นมีลักษณะอย่างอื่นมีผลเป็นอย่างอื่นก็จะลด ความรุนแรงต่างตามลงไปจะน้อยจะไม่เป็นเหตุปัใจจัยให้สร้างบา ป, ปกรรมที่นำตัวเองให้ประสบความทุกข์ความเลวร้อนในภพชาติต่อไปเป็นการสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะชาติปัจจุบันเท่านั้นแต่สร้างผ ล, ผลประโยชน์ได้เกิดขึ้นในชาติภพต่อไป ซึ่งก็หมายความว่าถ้าท่านรอบรู้ขดับนี้ได้ท่านสามารถทำประโยชน์แก่ตนในชาติปัจจุบันได้สามารถทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและบุคคลอื่นกระจายวงกว้างออกไปทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าได้เพราะคุณลักษณะเหล่านี้จึงกลายเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตของสัตว์ประลดทั้งหลาย พระบัณฑิตและสัตว์ประุตทั้งหลายนั้นจะสามารถยึดถือเอาไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าอันเป็นปฏิบปทาที่จะนำบุคคลผู้นั้นให้สัมผัสประโยชน์สูงสุดหรือ ท, ที่ท่านเรียกว่าปรมัตเปยชน์อันได้แก่มรรคผลนิพพานในการต่อไป ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้บุคคลผู้นั้นใกล้ต่อพระนิพพานดันการศึกษาทั้งสองระดับจึงชื่อว่าเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่จะเพิ่มพูนแสงสว่างคือวิชาความรู้ให้เพิ่มขึ้นพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำลายอาวิชชาลดความแรงของวิชา เคยชีวิตอยู่อย่างมีสติปัญญาคุ้มครองตนรักษาตนซึ่งมาเพิ่มพูดมากเท่าไรผลที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป